ความโศกสักเท่าภูเขาเกิดขึ้นแก่พระนางอุทุมพรด้วยความรักในพระมหาสัตว์พระได้ทรงสดับพระราชาตรัส ด, ดังนั้นแต่นั้นพระนางจึงทรงคิดว่าเราจะยังพระราชาให้ทรงโล่งพระหฤทัยด้วยอุบายหนึ่งในการเมื่อพระราชาบรรทมหลับเราจะส่งข่าวไปยังมโหสถผู้กนิตฐพาดาของเรา ลำดับนั้นพระนางจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์ผู้ยังมโหสถให้ดํารงอยู่ในอิสริยยศใหญ่ภายหลังมาทรงทรําการดังนี้แก่เขาจะเป็นไรไปแล้วทูลให้พระราชาเบาพระไยว่าพระองค์ทรงสถาปนามโหสถในตําแหน่งเสนาบดีได้ยินว่าบัดนี้เธอคิดกบฏต่อพระองค์ บุคคลผู้ปัจจามิตรนิใช่เป็นคนเล็กน้อยเลยพระองค์ควรประหารชีวิตเขาเสียทีเดียวขอพระองค์ยาทรงพระวิตกเลยพระราชามีความโศกเบาบางก็ยังลงสู่นิทราลมขณะนั้นพระราชเทวีเสด็จลุกขึ้นเข้าสู่ห้องทรงพระอักษรมีความว่ามโหสถบัณฑิตทั้งสี่ทำลายเธอให้แตกกับพระราชา พระราชากริว้วตรัสสั่งบัณฑิตทั้งสี่ให้ค่าเธอที่ประตูพระราชวังเวลาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เธออย่ามาสู่ราชสำนักถ้าจะมาก็พึงเป็นผู้สามารถทำชาวพระนครให้อยู่ในเงื้อมมือเธอแล้วพึงมาทรงพระอักษรมีความชนนี้แล้วสอดเข้าในหอ่อเอาได้พันห่อแล้ววางในสุพรรณภาธใหม่ปิดฝาประทับพระลันจกร ประธานแก่นางข้าหลวงผู้ประพฤติประโยชน์ตรัสสั่งว่าเจ้าจงนําห่อนี้ไปให้แก่มโหสถบัณฑิตผู้น้องชายน้อยของเรานางข้าหลวงได้ทำตามคำสั่งอันใครๆไม่ควรคิดว่าทำไมนางข้าหลวงออกจากตำหนักข้างในในเวลากลางคืนได้เพราะว่าพระราชาพระราชทานผลแก่พระนางไว้ก่อนแล้ว ให้พระนางใช้ใครนำของเสวยอันมีรสออกไปให้มะโหสถได้ตามประสงค์เพราะฉะนั้นใครๆจึงไม่ห้ามนางข้าหลวงนั้นพระโพธิสัตว์รับพระสุพัณภาตแล้วให้นางข้าหลวงนั้นกลับนางข้าหลวงก็ลา ก, กลับมาทูลความที่ตนให้พระสุรัณภาตแก่มะโหสถแล้วแด่พระนางขณะนั้นพระนางจึงเสด็จมาบรรทมกับพระราชสามี ปายพระโพธิสัตว์แก้ห่อหนังสือออกอ่านรู้ความนั้นแล้วจัดกิจที่พึงทำแล้วเข้านอนปายอาจารย์ทั้งสี่ถือพระแสงขันยืนอยู่ภายในประตูวังแต่เช้าเมื่อไม่เห็นมโหสถมาก็เสียใจไปเฝ้าพระราชาครั้นตรัถามว่าเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายฆ่ามโหสถแล้วหรือจึงกราบทูลว่า ไม่เห็นมโหสดมาพระเจ้าค่าปายพระมหาสัตว์พออรุณขึ้นก็สนานกายด้วยน้ำหอมประดับกายด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงบริภพโภคโภชนะอันเลิศชํระสรีระกิจแล้วทำชาวพระนครให้อยู่ในเงื้อมมือแล้วตั้งการอารักขาในที่นั้นๆเป็นผู้อันมหาชนห้อมล้อมขึ้นรถไปสู่ประตูวังด้วยยศใหญ่ ฝายพระเจ้าวิเทหราชให้เปิดพระแกลประทับยืนทออพระเนตรอยู่ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ลงจากรถถวายบังคมบรมมกษัตริย์แล้วยืนอยู่พระราชาทออพระเนตรเห็นกิริยาของมโหสถทรงดำริว่าถ้ามโหสถเป็นข้าศึกแก่เราที่ไหนเขาจะพึงไหวเราลำดับนั้นก็ตรัสให้เรียกมโหสถมาเฝ้า แล้วเสด็จประทับณพระราชอาฎปายมโหสถถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนหนึ่งบัณฑิตทั้งสี่ก็นั่งอยู่ที่นั่นลำดับนั้นพระราชาเป็นเหมือนไม่ทรงทราบอะไรตรัสถามโหสถว่าแน่พ่อมโหสถเมื่อวานนี้เจ้ากลับบ้านแต่ยามแรกเจ้าเพิ่งมาเดี๋ยวนี้เจ้าสละเราเสียอย่างนี้เพราะอะไร ตรัตชนี้แล้วได้ตรัสคาถานี้ว่าเจ้าไปบ้านแต่หัวคำ่ำมาเอาบัตรนี้ใจของเจ้ารังเกียจเพราะได้ฟังอะไรหรือเจ้าผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินใครได้พูดอะไรแก่เจ้าเราจะฟังเจ้าบอกเรื่องของเจ้าเจ้าจงบอกเรื่องนั้นแก่เราบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าไปบ้านแต่หัวคำ่ำอภิโทสะคตโต ความว่าพ่อมโหสถบัณฑิตเมื่อวานเจ้าไปบ้านแต่หัวค่าคือปฐมยามคำว่ามาเอาบัตรนี้อิธานิเอสิความว่าบัตรนี้มาด้วยอิสริยยศคำว่ารังเกียจเพราะได้ฟังอะไรหรือกิมาสังกิเตได้แก่ระแวงอะไรคำว่าได้พูดอะไร กิมาโวจะความว่าใครๆได้กล่าวกับเจ้าว่าอย่าไปเฝ้าพระราชาหรือพวกเราจะฟังคําของเจ้านั้นเชิญเจ้าบอกคือแจ้งการนั้นแก่เราลําดับนั้นพระมหาราชทูลเตือนพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์ถือเอาคําบัณฑิตทั้งสี่แล้วมีพระราชานัดให้ข้าฆ่าพระบาท ด้วยเหตุนั้นข้าพระบาทจึงยังไม่มาทูลชนี้แล้วได้กล่าวคาถานี้ว่ามโหสถจะถูกฆ่าเพราะปัญหาบัณฑิตทั้งห้าข้าแต่พระปิ่นประชากรการใดพระองค์เสด็จอยู่ในที่ลับได้ตรัสข้อความลับที่รับสั่งแก่อาจารย์ทั้งสี่กับพระนางอุทุมพรเมื่อหัวค่ําข้อความลับอย่างนั้นของพระองค์พระองค์ได้เปิดเผยแล้ว ข้อความลับนั้นอันข้าพระบาทได้ฟังแล้วในการนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าการใดยะทิเตได้แก่แต่การใดพระองค์คําว่าได้ตรัสมันแต่ยิตังได้แก่ตรัสแล้วคําว่าหัวค่ําเทสังความว่าหัวค่ําคือตอนกลางคืนถามว่า รัแก่ใครตอบว่าแก่พระอัครมเหสีด้วยว่าพระองค์ประทับอยู่ในที่ลับได้ตรัสข้อความนี้แก่พระอัครมเหสีนั้นคําว่าข้อความลับพระองค์ได้เปิดเผยแล้วคุยหังปาตุกะตังความว่าความลับของพระองค์เห็นปานชนีพระองค์ทรงทําให้ปรากฏแล้วคําว่า ข้อความลับนั้นอันข้าพระบาทได้ฟังแล้วสุตังมะเมตังความว่ามโหสถโพธิสัตทูลว่าข้าแต่พระองค์ก็ความลับนั้นข้าพระองค์ได้ฟังแล้วในขณะนั้นทีเดียวพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถก็ทรงพระพิโรธด้วยทรงเห็นว่านางอุทุมพรจากทรงข่าวไปขณะนั้นเอง จึงทอดพระเนตรพระราชเทวีมโหสถรู้กิริยานั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ทรงพิโรธพระราชเทวีทาไมข้าพระองค์ทราบเหตุการณ์อดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งสิน้นพระนางตรัสความลับของพระองค์แก่ข้าพระองค์จงยกไว้ก่อนความลับของเสนกะและปุกะกุสะเป็นต้นใครแจ้งแก่ข้าพระองค์เล่า ปัญหาของกิ่งกาใครบอกแก่ข้าพระองค์และปัญหาของเทวดาใครบอกแก่ข้าพระองค์เล่าข้าพระองค์ทราบความลับของชนเหล่านี้ก่อนแล้วทีเดียวเมื่อจะทูลความลับของเสนักะก่อนจึงกล่าวคาถานี้ว่าเสนักะได้ทํากรรมลามกไม่ใช่กรรมดีอันใดในสวนไม้รังอยู่ในที่ลับได้แจ้งเรื่องนี้แก่สหายคนหนึ่ง กาลามกอันเป็นความลับของตนเห็นป่านี้อันเสนกะทำให้ปรากฏแล้วความลับนี้ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่ใช่กรรมดีอสัพพิรูปังความว่าเสนกะได้กระทอาอกุศลกรรมอันลามกไม่ใช่กรรมดีคือข้าหญิงแพทย์สยาชื่อนอน้นในสวนไม้รังในนคร น, นี้เอง แล้วถือเอาเครื่องประดับห่อด้วยผ้าสาดของหญิงนั้นแหละเก็บไว้ในที่โน้นในเรือนของตนข้อว่าอยู่ในที่ลับได้แจ้งเรื่องนี้แก่สหายสกิโนวะระโหคโตอะสังสิความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าครั้งนั้นเซนกะอยู่ในที่ลับได้บอกเรื่องนั้นแก่สหายคนหนึ่ง เรื่องแม้นั้นข้าพระองค์ก็ได้ฟังแล้วข้าพระองค์มิได้คิดกระบฏต่อสมมุติเทพเสนกะนั่นแหละเป็นผู้คิดกระบฏถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์จะจัดการคนกระบฏจงโปรดให้จับเสนกะพระราชาท่อพระเนตรดูเสนกะแล้วมีราชกระทูถามว่าจริงหรือเสนกะก็ได้ทรงรับกราบทูลตอบว่าจริงพระเจ้าข่า จึงรับสั่งให้จำเสนกะในเรือนจำปายมโหสดเมื่อจะกราบทูลข้อความลับของปุกะกุสะจึงกล่าวคาถานีว้ว่าถ้าแต่พระจอมประชากรโรคเรื้อนเกิดขึ้นแก่ปุกะกุสะเป็นโรคที่ไม่สมควรจะใกล้ชิดพระราชาปุกะกุสะอยู่ในที่ลับได้แจ้งแก่น้องชายน้อยความที่ปุกะกุสะเป็นโรคเรื้อนเป็นข้อความลับเห็นปานนี้ อันปุกะคุสะได้ทำให้ปรากฏแล้วความลับนี้ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่สมควรจะใกล้ชิดพระราชาอาราชะปุปปตโตความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าโรคเรื้อนเกิดขึ้นแก่ปุกะคุสะนั้นเป็นโรคที่ไม่สมควรจะใกล้ชิดคือไม่ควรจะถูกต้องพระราชา พระองค์บรรทมที่ขาของปุกะกุสะบ่อยๆด้วยเข้าพระหฤรไทยว่าหาของปุกะกุสะอ่อนที่แท้ขาของปุกะกุสะนั้นมีสัมผัสอ่อนเพราะผ้าพันแผลพระเจ้าค่าพระราชาทอดพระเนตรดูปุกะกุสะแล้วตรัสถามว่าจริงหรือปุกะกุสะครั้นได้ทรงสดับรับสารภาพว่าจริงจึงรับสั่งให้เอาตัวเข้าเรือนจำ มโหสถบัณฑิตเมื่อจะกราบทูลความลับของกามินทะจึงกล่าวคาถานี้ว่ากามินทะมีอาพาธอันต่ำช้ากล่าวคือยักชื่อนราเทวะสิงแล้วเป็นเหมือนสุนักบ้าร้องอยู่กามินทะอยู่ในที่ลับได้แจ้งความลับนี้แก่บุตรความลับเห็นปานนี้อันกามิ n t h a ทำให้ปรากฏแล้วความลับนี้ข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอันต่ำช้าอสัพพะรูปโปความว่ากามินทะนั้นอันอาพาธใดถูกต้องแล้วร้องเหมือนสุนักบ้าอาพาธนั้นคือยักษ์นระเทวสิงเป็นอาพาธต่าช้าลามกกามินทะอันอาพาธนั้นถูกต้องแล้วไม่สมควรเข้าไปสู่ราชสกุลพระเจ้าค่า พระราชาทออพระเนตรดูกามินทะแล้วตรัสถามว่าจริงหรือกามินทะกามินทะทูลรับสารภาพจึงตรัสสั่งให้นำกามินทะเข้าสู่เรือนจำปายมโหสถบัณฑิตเมื่อจะกราบทูลความลับของเทวินทะจึงกล่าวคาถานี้ว่าเท้าสักกะเทวราชได้ประทานมณีรัตนะอันโอราณมีแปดคตแด่พระเจ้ากุสราช ผู้เป็นพระอัยกาของพระองค์มณีรัตนนั้นเดี๋ยวนี้ตกถึงมือเทวินทะก็เทวินทะอยู่ในที่ลับได้แจ้งแก่มารดาข้อความลับเห็นปานนี้อันเทวินทะทำให้ปรากฏแล้วความลับนี้ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระอัยกาปิตามหสระได้แก่ พระเจ้ากุสราชผู้เป็นพระอัยกาของพระองค์คําว่ามณีรัตนนั้นเดี๋ยวนี้ตกถึงมือตัทชะหัดถังความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ามณีรัตนซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคล น, นั้นเดี๋ยวนี้ตกถึงมือของเทวินทะแล้วพระราชาตรัสถามเทวินทะว่าจริงหรือเทวินทะ ครั้นเทวินทะกราบทูลสารภาพว่าจริงจึงโปรดให้ทรงเทวินทะเข้าเรือนจำอาจารย์ทั้งสี่ตั้งใจจะฆ่ามโหสถกลับต้องเข้าเรือนจำเองทั้งหมดด้วยประการชนิดพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์กราบทูลว่าอันบุคคลไม่ควรบอกความลับของตนแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุนี้ อาจารย์ทั้งสี่กราบทูลว่าควรบอกก็ถึงความพินาศใหญ่เมื่อจะแสดงทำให้ยิ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าการซ่อนความลับไว้นั่นแหละดีการเปิดเผยความลับไม่ประเสริฐเลยบุคคลผู้มีปัญญาในเมื่อทำความลับยังไม่สำเร็จพึงอดทนไว้ข้อความลับสำเร็จแล้วพึงกล่าวตามสบาย บุคคลไม่ควรเปิดเผยข้อความลับเลยควรรักษาข้อความลับนั้นไว้ดุจบุคคลรักษาคุมทรัพย์ฉะนั้นข้อความลับอันบุคคลผู้รู้แจ้งไม่ทำให้ปรากฏนั่นแลดีบัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก่สตรีและแก่คนไม่ใช่มิตรกับอย่าบอกความในใจแก่บุคคลที่อามิตรลาบไปและแก่คนไม่ใช่มิตร ผู้มีปรีชาย่อมอดทนต่อคำด่าคำบริภารและการประหารแห่งบุคคลผู้รู้ข้อความลับซึ่งผู้อื่นไม่รู้เพราะกลัวแต่แพร่ความลับที่คิดไวประหนึ่งคนเป็นทาตอดทนต่อคำด่าเป็นต้นแห่งนายฉะนั้นชนทั้งหลายรู้ความลับที่ปรึกษากันของบุคคลผู้หนึ่งเพียงใดความหวาดสะดุ้งของบุคคล น, นั้นย่อมเกิดขึ้นเพียงนั้น เพราะเหตุนั้นผู้ฉลาดไม่ควรสละความลับบุคคลกล่าวความลับในเวลากลางวันพึงหาโอกาสที่เงียบเมื่อจะพูดความลับในเวลาค่ำคืนอย่าปล่อยเสียงให้เกินเขตเพราะว่าคนแอบฟังความย่อมจะได้ยินความลับที่ปรึกษากันเพราะฉะนั้นความลับที่ปรึกษากันจะถึงความแพร่งรลายทันที บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแกสตรีถิยาได้แก่แก่หญิงคำว่าและแก่คนไม่ใช่มิตรอมิตตสะจะได้แก่ไม่ควรบอกแกศัตรูคำว่าลากไปสังฮีโรความว่าก็บุคคลใดถูกอามิตอย่างใดอย่างหนึ่งลากไปคือถึงการพูดชักชวนและสงเคราะห์ ไม่พึงบอกความลับแก่บุคคลแม้นั้นคำว่าอย่าบอกความในใจหะทยัตเถโนความว่าก็บุคคลใดไม่ใช่มิตรเป็นมิตรเทียมปากพูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งไม่พึงบอกแก่บุคคลแม้นั้นคำว่าซึ่งผู้อื่นไม่รู้อาศัมพุทธังได้แก่คนอื่นยังไม่รู้ ปาฐะว่าอสัมโพธังก็มีความว่าไม่ควรให้ผู้อื่นรู้คำว่าย่อมอดทนติติขติความว่าย่มอ ม, ยมอดกลั้นคำด่าบ้างคำบริพาทบ้างการประหารบ้างเสมือนธาตคคำว่าปรึกษากันมันตินังความว่าผู้มีความรู้ทั้งหลายย่อมรู้ข้อที่ปรึกษากันนั้น ในระหว่างผู้มีความรู้ทั้งหลายเพียงใดคำว่าเพียงนั้นตาวันโตวความว่าความวาดสะดุ้งของบุคคล น, นั้นเพียงนั้นนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผู้รู้ความลับแม้เหล่านั้นคำว่าไม่ควรสละณนะวิสเชความว่าไม่พึงสละคือไม่ควรให้ผู้อื่นรู้คำว่าเงียบวิวิ จ, จะ ความว่าถ้าต้องการจะปรึกษาความลับในเวลากลางวันพึงปรึกษาในที่ปกปิดให้ทำโอกาสให้เงียบคำว่าเกินเขตนาติเวรังความว่าก็เมื่อพูดความลับในราตรีไม่พึงทำเสียงดังเปล่งเสียงเกินเวลาคือเกินขอบเขตคำว่าคนแอบฟังความอุปัตสูติกาได้แก่ ชนผู้พึงเข้าไปสู่สถานที่ปรึกษายืนอยู่ที่นอกฝาเป็นต้นแล้วฟังข้อความคำว่าเพราะฉะนั้นตัดสมาความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าด้วยเหตุนั้นความลับที่ปรึกษากันนั้นจะถึงความแรพร่พายทันทีทีเดียวพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับถ้อยคำแห่งมโหสถก็ทรงพิโรธว่า อาจารย์เหล่านั้นปองร้ายกันเองมาลงเอามโหสดว่าเป็นผู้ปองร้ายเราจึงมีพระราชดำรัสสั่งราชบุรุษว่าพวกเจ้าจงไปจงนําอาจารย์ทั้งสี่นั้นออกจากพระนครให้นอนหงายบนหลาวแล้วตัดศีรษะเสียเมื่ออาจารย์ทั้งสี่อันราชบุรุษมัดมือไพ่หลัง เคียนด้วยไม้เรียวร้อยทีคราวละสีคราวละสี่ลสแล้วนําไปประหารชีวิตมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพอาจารย์เหล่านี้เป็นอํามาตะเก่าของพระองค์ขอพระองค์ทรงงดโทษแก่อาจารย์เหล่านี้เถิดพระราชาพระราชทานอนุญาตแล้วให้เรียกอาจารย์ทั้งสี่มาตรัสสั่งยกให้เป็นทาตแห่งมโหสถ ก็แต่มโหสถทูลยกให้เป็นไทยในเวลานั้นนั่นเองพระราชาตรัสสั่งให้ขับไล่อาจารย์ทั้งสี่ออกจากพระราชอาณาจากักรมโหสถทูลขอพระราชทานโทษว่าขอได้โปรดอดโทษแก่คนอันธพาลเหล่านั้นขอให้ทรงยกย่องอยู่ในฐานันดร น, นั้นเหมือนเดิมพระราชาทรงเลื่อมใสในมโหสถอย่างยิ่งด้วยทรงดำริว่า มโหสดได้มีเมตตาเห็นปานี้ในเหล่าปัจจามิตรมโหสดจะไม่มีเมตตาเห็นปานี้ในชนเหล่าอื่นอย่างไรจำเดิมแต่นั้นนักปราดทั้งสี่เป็นผู้หมดพยศดุดงูถูกถอนเขี้ยวเสียแล้วไม่อาจจะกล่าวอะไรอีกปัญหาบัณฑิตห้าจบปริพินทกถาจบ